ห น, หนีออกจากพุทธโอวาทไม่ได้ลำพังตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจของเรานัเนน่ะมันยังลำเอียงไปด้วย ก, กิเลสอยู่ดังนั้นเราจะไปเชื่อความคิดความเห็นของเราโดยส่วนเดียวไม่ได้เลยความคิดความเห็นเราต้องเทียบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะคนเรามันมีหกจริตเคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆในจริตหกประการนั้นน่ะมันต้องมีอย่างหนึ่งออกหน้าออกตากาเพื่อนนะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนั้นน่ะมันมันมีมากกว่าเพื่อนมาเข้ามาอย่างนั้น นอกนั้นมันก็อ่อนกำลังลงให้ทั้งเกตโดูนิสัยของตนเองให้มันได้บางคนก็ราคะจริตมีความรักสวยรักงามเป็นเจ้าเรือนเลย ม, มีความกำหนัดแรงกล้า อันนี้นะถ้าหากว่าระงับจริตอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทำชั่วด้วยด้วยจริตอย่างนี้แหละบางคนก็โทสะจริตมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนแต่กิเลสนอกนั้นไม่รุนแรงเท่าไหร่ ธรรมดาผู้มีความกโกรธเป็นเจ้าเรือนนี่ใครพูดอะไรไม่ถูกใจหน่อยหนึ่งก็ฉุนเฉียวขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่รู้จักระงับใจตัวเองทีนี้ก็แสดงกิริยาท่าทางแห่งความกโกรธออกไปแล้วถ้าว่าผู้ใดเป็นอย่างนี้ไม่รู้ตัว มันก็ทําชั่วด้วยความโกโรธนั่นแหละนั่นแหละความโกโรธนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้ร่วงทร ร, ร่วงวินัยร่วงศีลต่างๆนี้นะบางคนก็โมหะจริตมีนิสัยเสื่อมซึมไม่อยากคิดจกนึกอะไร ไม่อยากรู้อะไรทำตนเป็นคนหลงไม่สนใจในการศึกษาเรียนตนไม่มีความรู้อะไรก็ปล่อยให้ตนไม่มีความรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยตนหลงตนเมาอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้ตนเมาอยู่นั่นนี่ผู้ใดไม่รู้จริตของตัวเองเน้ย มันทำชั่วไปได้คำว่าโมหะจริตก็หมายความว่าเป็นผู้มีความหลงเป็นเจ้าเรือนจำอะไรก็ไม่ได้หลงหลงลืมลืมฟังคําสอนของพระุทธเจ้ามาแล้วก็นึกไม่ออกอะไรหมดนี้นะนรืว่าเรียนคําสอนมาแล้วก็ไม่จํามีแต่ลืมกับลืม ไม่ค่อยได้ทบทวนดูคำสอนของพระตเจ้าอันนั้นเทนเรียว่าโมหจริตบางคนก็เป็นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมง่ายไม่ค่อยใช้วิจรารณญาณ ใครว่าดีก็เชื่อไปตามนั้นว่าดีใครว่าชั่วก็เชื่อไปตามนั้นว่าชั่วแต่ไม่ทราบว่ามันชั่วจริงหรือไม่จริงใครมาแสดงความคิดความเห็นอะไรให้ฟังถ้าตนชอบใจแล้วก็เชื่อว่าเป็นจริงไปตามเลยถ้าไม่ชอบใจแล้วถึงใครจะมาแสดง ไอความจริงให้ฟังยังไงเหตุผลยังไงก็ไม่เชื่อไม่เอาไอ้คนถือเอาความเชื่อเป็นใหญ่อย่างเดียวอไม่ได้ไม่ได้ ไ, ไดข่ควรด้วยปัญญาในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นนั่นแหละมันก็เป็นเหตุใ้ทําผิดทําชั่วด้วยศรัทธาความเชื่ออันนั้นเนี่ย บางคนก็เป็นวิตกจริตชอบวิตกวิจารไม่หยุดไม่ยอนพอจอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าก็เก็บเอาเรื่องนั้นไปวิตกวิจารอยู่ยนั่นย้อนเดือดร้อนใจไม่เป็นอันหลับอันนอนก็มีไอ้ผู้ใดชอบเป็นอย่างนั้นนะก็เรียกว่าเป็นคนเจ้าความคิด ถ้าหากว่าระงับไม่ได้มันก็ไปทำชั่วเพราะความวิตกมากนั่นแหละเช่นอย่างว่าไม่พอใจให้ใครมาเก็บเอาเรื่องของนั้นไปวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์มากเข้าไปเท่าไรความโกรธมันยิง่งรุนแรงขึ้นแบบนี้นะนั่นนะ คนไม่ไหวก็ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาแล้วว่า น, นี้กระทบกระทั่งผู้อื่นเข้าไปนี่มันเป็นอย่างนั้นหันทักแก้ไม่ตกนะมันก็ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นไปดัง <c oughs> นั้นทุกคนต้องให้รู้จักจริตตัวเองบางคนก็เป็นพุทธจริต ว่าเรียนเกง่งจำเกง่งแต่เราไม่รู้จักใช้ความรู้อันนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมักจะใช้ความรู้อันนั้นไปตามอำนาจกิเลสภายในหัวใจของตนนี่จริตของคนเรานะ มันมีอยูหกประการอย่างนี้นี่ยให้พากันสังเกตดูว่าใครมีจริตอย่างไรก็ต้องรู้ตัวเองเนี่ยจะให้คนอื่นรู้ให้น่ะมันไม่ถูกไม่ชอบ ทุกคนต้องวินิจฉัยตัวเองนั่นเนี่ยเมื่อผู้ใดวินิจฉัยตนเองได้ผู้นั้นก็สามารถแก้ไขตัวเองได้ผู้เป็นราคาจริตอย่างนี้นะมีความกำหนัดแรงกล้ า, อ า, อาตอนพิจารณาว่าจริตอย่างนี้ถ้าขืน ปล่อยไปตามเรื่องอย่างนี้นะมันจะพาให้ตนทําชั่วก็รีบดัดจริตตัวเองเข้าไปพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมันก็มีอยู่นี่อ น, นี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่นั่นนะมันไม่ค่อยเจริญนี่เกิดชอบใจกับจริตตัวเองอย่างนั้นไปเลย ตนเองมีความกำหนัดกล้าเท่าไหร่ก็ยิ่งยินดีพอใจนั่นเมื่อเน่คนไม่รู้จักสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองแต่ถ้าจะทรมานตนก็กลัวตายวันนี้นะกลัวทุกข์นั่นไม่กล้าอดนอนผรนอาหารกินเต็มที่นอนเต็มที่ ไปอย่างนี้เราจะให้อันมันไปนแก้จริตอย่างนี้ได้อย่างไรลรามันต้องเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วหันตนหวังดีหวังความบริสุทธิ์เห็นโทษของกิเลสจริงจังนะจะไปกลัวตายกลัวทุกข์อยู่ทำไมอ่ะ ถึงอยู่เฉยๆมันก็ตายบทตอนจะตายมาถึงอยู่เฉยๆมันก็ทุกข์เพราะร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงจะให้มันสุกยั่งยืนอยู่ไปได้อย่างไรอ่ะ อ, อยู่เฉยๆมันก็แปรปวนไปนะร่างกายเนี่ยของมันไม่เที่ยงนี้อย่างนี้เนี่ยต้องพิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นกิจอนไดที่ควรทําเราต้องทําเละ เราเมื่อรู้ความจริงของร่างกายอย่างนี้แล้วนะควรฝึกตนทรมานตนอย่างไรจริตอันเร็วๆเหล่านี้จึงจะลังงับไปจากจิตใจตัวเองอย่างนี้น ะ, ะมันก็ต้องทาลงไปนะทุไรเป็นโทษสัจริตอย่างนี้ก็ พระ อ, องค์ก็ทรงแสดงกรรมฐานด้วยให้แล้วเนี่ยก็เอาไปเจริญสินั่นเองผู้ราคาจริตก็เจริญอสุภากรรมฐานได้มากมากแล้วก็ทรมานตนประกอบไปอีกอันถ้าไม่ทรมานให้กี่แล้วเดี๋นี้มันอ่อนลงอะ่ะเพ่งอสุภาษทรายเหมือยิ่งเห็นสวยเห็นงามขึ้นไปเนะอะมันเป็นอย่างนั้นนะ แทนที่ว่ามันจะเบื่อจะนายมันยิ่งชอบซํานี่ถ้าว่าไม่ไม่ทรมานทั้งร่างกายเข้าประกอบด้วยถ้าได้ทรมานร่างกายมันอ่อนเพลียลงไปแล้วเอาวนี้มันจะเพ่งพิจารณาอสุภะสุพังอะไรมันก็เห็นไปได้มันไปอย่างนั้นมันต้องทำให้มันถึงที่มัน ทำวันได้นะ <c oughs> ให้จนอจสุภนิมิตนั้นปรากฏในใจเสมอเสมอไปนนท์คำว่าเพ่งอสุภสัญญานะ่นะนึกถึงเวลาใดปรากฏเวลานั้นเลยความโถโคกโถกของร่างกายอันนี้นะอย่างงี้นะไม่ใช่อย่าไปเห็นแต่วเวลาที่นั่งภาวนาเพ่งอยู่เท่านั้นเลย ออกจากภาวนาไปแล้วก็เพ่งดูเวลาใดก็เห็นเวลานั้นเส้นนี้มันก็จึงทันกับกิเลสนะอืผู้มีโทสะจริตก็เหมือนกั น, นพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เจริญเมตตาบ่อยๆ อ, อย่างนี้นถ้าตนไม่จเจริญเมตตาอย่างนี้จะให้กิเลสมันเบาบางลงได้อย่างไร่ะ ในขั้นต้นเนี่ยการเจริญเมตตามันก็ทำให้กิเลสนี่คือความโกรดนี่นะเบาบางลงอ่อนกำลังลงมาตอนที่จะละโทสะนี้ได้จริงๆมันละได้ด้วยปัญญานูาน่นบั่นี้ในขั้นต้นนี้เราเจริญเมตตา นึกถึงตัวเองและผู้อื่นเทียบกันไปดังที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆแล้วจนได้เห็นว่าความประสงค์ของตนและบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นเหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันความประสงค์ก็คือว่าทุกคนรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันหมดเลยนี่ทั้งเขาทั้งเราเหมือนกัน น, ะนั่นนะ เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปทําอะไรพูดอะไรมันบีดเบียนทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนนะตน้องระมัดระวังออภายในจิตใจนั่นก็ดีอย่าไปผูกโกรธไวนะ้อย่างนี้เนะี่ยถ้าผูกโกรธไว้แล้วไม่ฟังเดี๋ยวก็ไปกระทบคนอื่นเข้าล่ะใครทาอะไรให้ไม่ถูกใจก็โกรธแล้วอย่างงี้โกรธแล้วก็แสดงออกทางกายวาจาเข้าไปกระทบกระทั่งกันไปก็ วุ่นวายเดือดร้อนไปนี่ลักษณะความโกรธแล้วการที่ไม่ได้เจริญเมตตานะมันก็เป็นอย่างนั้นเนยจริตอันนี้ด้วยนั <c oughs> ้นผู้ที่หวังความบริสุทธิ์ต่อตัวเองหวังชำระตนให้บริสุทธิ์อย่างนี้แหละมันต้องทำตามนี้นะ ไม่ทำไม่มีทางมันจะระ ง, งับกิเลสได้จะไปละกิเลสเหล่านี้ด้วยปัญญาทีเดียวเลยไม่ได้มันจะระ ง, งับได้อย่างไรในเมื่อจิตมันสงบลงไม่ได้อารมณ์เช่นนี้มันมาปั่นจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่นี่มันจะเอาปัญญาที่ไหนมาเกิดได้อยู่นั้นนะ แ, แล้วมันต้องเจริญเมตตาให้ ม, มากๆเข้าไปละอ่า มันเห็นสภาพของตนเองและพวกอื่นสัตว์อืน่นเหมือนกันแล้วมันก็เกิดความเป็นดูขึ้นอันนี้น ะ, ะแล้วก็นึกถึงกรรมของสัตว์อีกด้วยอย่างนี้นะต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตน น, ะนำมาเกิดกูดเดยทำกรรมมาในว้แเ่ชาติก่อนโน่นนะกรรมนั้นมันก็ติดตามมาทำกรรมกันอย่างว่าคนเคยขี้โกรธมาแต่ก่อนอย่างนี้นะ มันไม่ละไม่ถอนนะมันก็ติดตามมาอย่างนี้แหละที่ว่าสัตว์ทงหลายมีกรรมเป็นของของตอนนั่นนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะผู้ดใดมีจริตนิสัยอย่างไรนะไม่ดัดแปลงจริตของตอนให้ดีมาจะใช่ก่อนนั่นชาตินี้มันก็ติดตามมานั่นนะ่ะชาตินี้มันก็ติดตามมา แล้วมันก็มารบกวนตัวเองะให้เดือดร้อนนอกจากรบกวนตัวเองให้เดือดร้อนแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยตรงพี่ารามันเห็นโทษอย่างนี้แล้วเมื่อมันเห็นโทษอย่างนี้แล้วมันก็พยายามกันแล้วแนี้นะเหมือนอย่างว่าบุคคลไปเห็นงูพิษไปอยู่ในเรือนอยู่ในที่อยู่อาศัยของตนอย่างนี้นะ ถ้าไปเห็นว่างูนี่เป็นงูพิษจริงจริงไงนี่มันก็ต้องพยายามไล่มันออกไปแนะ่ทีนี้เมื่อให้มันอยู่ด้วยพราะรู้นะว่าเป็นงูพิษท่าว่าไปอยู่กับงูพิษอย่างนั้นมันจะต้องฉกกัดเอาวันหนึ่งให้ได้เลยอันนี้มันก็อย่างนั้นแหละก็ต้องให้พากันเข้าใจความโกรธนี่มันก็เหมือนกับงูพิษเหมือนอย่างของที่มีพิษร้ายนั่นเองเนะย เนี่ยตองพี่นามันเห็นโทษของมันนะเมื่อไปเห็นโทษเข้ามาแล้วมันก็เบื่อหน่ายมันอยากจะถอนตัวออกจากความโกรธนั้นเมื่อนั้นเราก็มาเจริญมเมตตากรุณาเข้าไปเช่นนี้แล้วมันก็อ่อนลงจริงๆความโกรธนั้ น, นะเพราะว่าใจไม่ชอบมันอยู่แล้ว เรามาชอบเมตตากรุณานี้แทนเอาวะนี่นะทำความพอใจในการเจริญเมตตากรุณานี้เข้าไปแล้วเมื่อมันพอใจแล้วมันก็ไม่ลืมเลือนเนี่ยอืมไม่เฉพาะแต่นั่งภาวนาเท่านั้นมาเจริญเมตตาเย็นเดินนั่งนอนทําธุรการงานอะไรต่ออะไรอยู่ก็ไม่ลืมเมตตานึกถึงใจตัวเองว่ามีเมตตาอยู่หรือยังอน่ะื เเนมื่อนึกเสมอพี่นะ้าเสมอเมตตาธรรมมันกดซึมทราบเข้าสู่จิตใจห น, นูถ้าตนไม่มันนึกมันน้อมเข้าไปในใจอย่างนี้นะแล้วเมตตาธรรมมันจะไปซึมทราบอยู่ในใจได้อย่างไรอ่ะเพราะตนไม่ชอบเมตตาเนี่ตนไปชอบความโกรธจนออย่างนี้นะดังนั้น ที่พพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสมถกรรมฐานนั่นนะลองสังเกตลองฟังสำเนียจดูส๋สิในสมถกรรมฐานนั้นไปนว่ากรรมฐานที่เป็นอุบายทําใจสงบอื็นไนั้นเราต้องเพ่งเมตตานี่เพ่งลงไปจนใจมันสงบลงนุ่มเมื่อใจสงบลงไปใจตั้งมั่นลงไปได้แล้ววันนี้ก็จึงหยิบยกเอาเรื่อง แห่งความโกรธมาวินี่ใช้ดูงกระเห็นโทษของความโกรธได้ชัดเจนเลยวันนี้นี่แหละ ว, วันนี้ตอนนี้มันจะถอนรักแห่งความโกรธออกไปได้ด้วยด้วยปัญญานี่เองนะก็โ <c oughs> ดยที่มาพารณาเห็นว่าไอ้ที่มันไม่พอใจมันสะสมความโกรธไว้นี่ก็เพราะมันไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริง พอมาเห็นขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเห็นเราว่าเป็นเราเห็นเขาว่าเป็นเขาอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็ถือมั่นไว้อย่างนี้เมื่อมันพอใจมันก็รักแต่เมื่อมันไม่พอใจไม่ชอบใจมันก็โกรธนั่นมันมูลเหตุมันมาจากนี่แบนนี้นะส่วนละเอียดส่วนลึกแท้ๆมันเป็นอย่างนั้นนะ ถ้ามองเห็นว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนอะไรยนีมันก็ปรงก็วางลงไม่ละสมมติบรญญัติออกไปจากจิตใจเลยละคำว่าเขาคำว่าเราเนี่นนะออกไปมองให้มันเห็นเป็นสภาวธรรมอาศัยกันอยู่เฉยๆไม่เห็นมีสัตว์มีคนอะไรอยู่ในนี้ <c oughs> ถ้าหากว่าจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ <c oughs> เห็นอยู่ในใจอย่างนี้มันก็บรรเทาได้ทั้งราคะทั้งโทสะเลยฮมันเบ่นงน่ะไม่ไม่เฉพาะจ่บันเทาไม้มันสามารถที่จะละให้ขาดไปได้เลยก็มีถ้าหากว่าเราจเจริญปัญญานี่ให้มากมา ก, มากเข้าไปแล้วกีเลสเหล่านี้มันจะหายไปจากจิตใจนี่เลย <c oughs> อันโมหจริตเนี่ยนี่นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนผู้ได้รู้ตัวว่าตนเป็นมีความหลงเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจอย่างนี้นก็สนใจศึกษาแล้วเรียนเข้าไปสนใจสะดับตรบฟังคำสอนของพระเจ้าไป แล้วสนใจไต่ถามข้อข้องใจต่างๆกับท่านผู้รู้ทั้งหลายอันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นสำหรับกาจัดความหลงอันเนี้ยในตอนต่อไปก็ต้องเจริญสมถะภาวนาโดยบริกรรมพุทโธเข้าไป คนโมหะจริตนี้นั่งแล้วมีแต่ง่วงแต่เงามีแต่ซึมขี้เกียจคิดไม่อยากคิดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องนึกพุทโธปลุกใจตัวเองให้ตื่นอยู่เลยเป็นยัยมันเซอร์มันต้องรู้จักอุบายวิธีขจัด กิเลสเหล่านี้ออกจากของใจสิจะไปปล่อยให้กิเลสมันครอบงำเลื่อยไปยังไงอ่ะเราก็เรียนรู้อยู่อย่างนี้นะคำสอนของพระเธรเจ้าทั้งได้ดูตำรับตำราได้เรียนได้ท่องด้วยนะทั้งได้ฟังด้วยถึงขนาดนี้แล้วยังจะปฏิบัติตามไปไม่ได้มันก็อาภัพเต็มทีสิภูนนะัน ผู้ที่เชื่อง่ายมงมง่ายมูนี้นะมันก็ต้องให้เข้าใจสิพระพุทธเจ้าทรงสอนอให้เรานั่นค้นคว้าหาเหตุหาผ ล, แ ต, ลแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปด่วนอย่าอย่าเพิ่งไปด่วนเชื่อเรื่องนั้นๆก่อนอย่างนี้นะอเธอเอาใจความแล้วนะ ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นนายกมาพูดให้ฟังว่าโอ้นายข อ, นะอยนี่นะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้คุณนะนินทาคุณนะแสดงความโกรธต่อคุณนะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้พูดที่เชื่อ ง, ง่ายงง่ายก็ ไปเชื่อว่าเป็นความจริงทันทีเลยอย่างนี้นะแล้วก็โมโหโทโศขึ้นมาทันทีเลยนะอ่คิดแก้แค้นกันไปเลยอย่างนี้อันนี้แหละทันเดียวว่าสัทธาจริตน ะ, ะไม่ทันได้สืบสาวเลาเรื่องอะไรเลยบอกเขาได้ว่าให้ตนจริงหรือไม่อย่างนี้ไม่ได้สืบสวนสืสบสาวหา ต้นตอมันเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพียงแต่เรื่องเดียวเนี่ยแม่เรื่อง อ, อื่นมันก็เหมือนกันนี่แหละว <c oughs> ิธีแก้มันก็ต้องทําใจให้หนักแน่นอย่างว่านั่นเนอืย <c oughs> รู้จักข่มใจตัวเองรู้จักสะกดจิตตัวเองเมื่อเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นมามีเรื่องไม่ดีต่างๆมาถึงตอนนะ ถ้ากดจิตไว้ให้มันตั้งมั่นลงไปนะอะก็ต้องวินิจฉัยเรื่องนั้นให้ละเอียดแล้วออสก่อนว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะความจริงเนี่ยเรื่องนั้นเป็นอย่างไรอย่างนี้นะถ้าว่าเป็นจริงอย่างนี้มันก็มันก็ใช้ปัญญาพิจารณาอเขามีผู้ว่าไอ้คนนั้นด่าเราจริงเออเป็นความจริงอ๋อ ด่าไปก้อนอันนี้นะดินน้ําไฟลมเราใครจะด่าก็ด่าไปใครจะสรรเสริญก็สรรเสริญไปนี่ถ้าหากว่าผููหนักในธรรมนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าพูดหนักในทางโลกอย่างนี้มันก็โมโหโท่โศไปเลยเนละยเพราะโลกนี่มันมีมันสมมุติบรญญัติกันขึ้นว่ามีนายกนางขอมีคนดีคนชั่ว อย่างนี้นะมันมันสมมุติกันขึ้นบรญญัติกันขึ้นอย่างนี้นั่นนะล้ ว, วันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้หลงสมมุติเหล่านี้นีแล้วตอนนับถือว่าพระพุทธเจ้าแท้ๆนะนับถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าเป็นทา ย, ยกทายิกากรปฏิญญานตนเกือบทุกครั้งทำบุญทีใดก็ดี ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็ต้องปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้นะเอาเป็นที่พึ่งแล้วเวลาความชั่วมาถึงเข้าลืมคำสอนแล้วลืมพระพุทธเจ้าแล้วมไม่ยับยั้งชั่งใจตัวเองเลยปล่อยตนให้ไปตามอำนาจของกิเลสนั้น แล้วอย่างนี้มันมันจะไปลา ก, กิเลสได้อย่างไรแบบนี้นะฮะถ้าว่าตนแก้ไขศรัทธาจริตอย่างนี้ลงไปนะมันก็ต้องศึกษาเราเรียนเนี่ยต้องดูตำรับตำราแล้วก็ต้องฝึกฝนจิตใจของตนให้มันเป็นคนใจหนักแน่น สอนใจเตือนใจตัวเองนะอย่าไปเชื่อง่ายงมงายนะโลกอันนี้แหละมันเป็นของไม่จรังยั่งยืนอมันเมื่อมันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราเราจะไปเชื่อได้หน้าเดียวอย่างไรวะเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นนีเพราะของไม่เที่ยงเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละเรื่องมันนะต้องเตือนตนไว้แต่นน่นน่นๆ่่่่่ เมื่อมันเตือนตนเข้าไปอย่างนี้ความรู้อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่องมันนะพอมีเรื่องไม่ดีต่างมาถึงเข้าอย่างนี้ความรู้อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาทันทีเรื่องนี้ยังเรายังไม่ลงใจเชื่อหรอกในเมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองมันก็เตือนตนได้เลยวันนี้นนน <c oughs> มันก็ยับยั้งได้ ใจของตนก็เป็นปกติอยู่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเสพสวนความจริงมันเป็นอย่างนั้ น, น, น, อ, ย น, นอย่างนั้นแล้วถึงจะเป็นอย่างไรก็สร้างมันก็ไม่เที่ยงจะเป็นเรื่องดีก็สร้างเรื่องชั่วก็สร้างมันก็ไม่เที่ยงไอเรื่องของโลกอันนี้นะมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั้นเพราะนั้นเราไม่ต้อง่อนไว้ไปตามดีหรือชั่วของโลกอันนี้ ผู้ใดสอนใจตนได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เชื่องมงงายไปแล้วอืมันก็ปรงตกลงได้นี่วิธีแก้ไขศรัทธาจริตคนเชื่อง่ายงมงงายมันต้องมันศึกษามันสดับะรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆแล้วก็มันสอนใจตัวเองเนี่ยอันเท่าจะเพียงแต่ว่าไปเรียนจำเอาคําสอนทีเฉยๆเท่านั้น ถ้าไม่มาเตือนใจฝึกใจสอนใจตัวเองนี่มันก็อย่างเชื่อง่ายงมงายอยู่เลยเนี่ยมันจะรู้ปันญดก็ช่างนะถ้าใจมันไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็งมงายอยู่งั้นเลยอ่ามันเป็นอย่างงั้นเพราะว่าการเรียนรู้นะั้นมันเป็นภาคปริยัต์นั่นเป็นการจําไม่เฉยๆวันนี่การที่เรามาทําอุบายแยกภายในใจอย่างว่ามานี่ นี่มันเป็นภาคปฏิบัตินั่นแหละมีปริยัติแล้วมันต้องมีปฏิบัติไม่ไม่เช่นั้นแล้วก็ไม่มีปฏิเวทคือไม่ได้รับผลจากการเคารพนับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างนั้นเลยถ้าเรียนรู้จำได้แล้วลงมือปฏิบัติ น้อมเอาคำสอนนั่นมาสอนใจตัวเองให้ใจตนเองเป็นไปตามพระธรรมนั่นได้อย่างนี้เมื่อก็ได้ปฏิเวทนี่ปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงไม่สงสัยลังเลเลยอย่างนี้นะแล้ว ร, รู้แจ้งว่ากิเลสอย่างนี้จริตใสอย่างนี้ตนละมันมาแล้ว มันก็รู้แจ้งขึ้นมาอันนี้เ่ะเรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติเมื่อเราทำจริงๆลงไปแล้วมันก็เกิดผลขึ้นให้ได้อย่างนี้อันวิตกจริตนี่ก็ดีก็าตามชั่วกว็ทั้งนะก็เมื่อตอนไม่ยึดถือล่ะปล่อยวางลงไปนะ นี้ถ้าเมื่อตนวางได้เรื่องนั้นมันก็ดับไปจากกิจใจพอเรื่องนั้นดับไปก็ถือว่าความทุกขเหล่านั้นดับไปจากกิจใจตัวเองแล้วนี่ตนเองละมันแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ต้องวิตกหามันอีกมันก็เลียวไปนีอเราการแก้ไขวิตกจริตก็หมายความว่า แล้วก็ต้องหมั่นพยายามหาเหตุหาผลเรื่องนั้น น, นมาชี้แจงให้ตัวเองได้ทราบอเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะความจริงแล้วมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรมีเกิดขึ้นดับไปอยู่นั้นดีก็ดีชั่วก็ดีอย่างนี้ไม่ควรยึดไม่ควรถืออย่างนี้ถ้าขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เป่า ไม่พ้นทุกไปได้เลยถ้ามันพิจนาเห็นโทษแห่งความวิตกวิจารณ์มากๆอย่างนี้แล้วทำยังไงบะนี้ก็พยายามแล้วเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกสะกดจิตไว้ไม่ให้มันวิตกไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ให้มันวิตกวิจารณ์ไปเลย ถ้ามันเผลอวิตกขึ้นไม่จริงหยุดเรื่องอย่างนี้ไม่จริงไม่ควรยึดถือไว้เตือนตัวเองเข้าไปนี้นก็เพ่งลมหายใจเข้าออกต่อไปหยุดคิดลง <c oughs> มันทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วไอ้เรื่องวิตกวิจารณ์ต่งางๆนั้นก็ค่อยระงับไประงับไป เพราะตนไม่ส่งเสริมมันนี่มันเผลอวิตกขึ้นเวลาเดี๋วก็เตือนจิตให้ละกำหนดละทันทีอย่างนี้นะเมื่อเมื่อจิตได้รับคำตักเตือนจากสติหรือจากปัญญาแล้วมันก็รู้ตัวตื่นตัวได้มันก็หยุดคิดฝึกเข้าไปบ่อยๆ อ, อย่างนี้มันก็ระ ง, งับได้อันวิตกกริตอันนี้นะนั่นเนี่ย ทำให้ใจเป็นสมาธิลงไปแบบนี้นะใจสงบเป็นหนึง่งลงไปพร้อมด้วยสติ เ, เมื่อทำใจสงบได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายสงสัยไปเลยเอเป็นปองนั้นพุทธิจริตคนที่มีความรู้มากแต่ไม่มีปัญญาที่จะใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ใจ อ, อ, อย่างนี้น มันก็ต้องหมั่นภาวนาเข้าไปพยายามเพ่งใจให้มันสงบลงไปไม่ควรที่จะไปสำคัญเข้าใจว่าความรู้ที่ตนเรียนมาจำมานั้นนะมันตนรู้ตลอดไปหมดแล้วอย่างนี้แ้ะ แล้วก็เอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดผิดไปอย่างนี้นะเราไม่ควรที่จะปรองใจเชื่อความรู้ความจำที่ตนจำมานั้นว่ามันถูกต้องทันทีก่อน mm hmm. เรามาทำใจสงบลงไปแล้วบนี้เมื่อใจสงบล้วจึงจึงปรารบถึงความรู้ความจำ mm hmm. เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาพิจารณาบบนี้ เทียบกับพระธรรมเข้าไป <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นว่าบุคคลผู้มีตัณหาความอยากอยากมีลาภมียศอยู่ในใจมากมายอย่างนี้นะแลต่ ว, ว่ามีศรัทธาทางการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาอย่างนี้ เมื่อเมื่อบุคคลมีความอยากมากนั้นเอาภาวนานี่ยมันก็ภาวนาอยากจะให้เห็นขุมทรัพย์ต่างๆออืที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนโบราณเอาฝังไหเงินไหทองอะไรไว้ในพื้นดินนี้เอ่ภาวนาเพ่งอยากจะให้หายเงินไหทองนั่นมาปรากฏในใจและจะได้ไปขุดเอามา ใช้สอยล่ํารวยขึ้นมาอะไรอย่างนี้สําหรับสมัยนี้เฮ่อกันซื้อหวยใต้ดินอย่างนี้อภาวนาไปก็เพ่งอยากให้รู้อยากให้เห็นตัวเลขอรางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี่เลขท้ายรางวันที่หนึ่งของลอตเตอรี่จะภาวนาเพืออธิษฐานขอให้รู้ขอให้เห็น <c oughs> สิ่งที่ตนต้องการนั่นอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าเอาความรู้อันนั้นไปใช้ในทางที่ผิดภาวนาเช่นนั้นมันไม่เป็นทางทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้เลยนี่จะภาวนาสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่า การเอาความรู้ในพระธรรมคำสอนเราไปใช้ในทางที่ผิดมันไม่ได้ประโยชน์เลยมีแต่โทษมานีิแม้เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะเช่น <c oughs> บางคนตอนเรียนรู้จำได้มากอย่างนี้ก็เลยสำคัญว่าตนเป็นผู้วิเศษกลัวเพื่อนเข้าไปนะอยากจะ เอาความรู้นั้นไปอวดเพื่อนนะแล้วก็ไปดูถูกคนที่ไม่มีความรู้นั้นชอบเกียดหยามคนไม่มีความรู้นั้นใน <c oughs> อย่างนี้นะั้นเรียกว่าคนผู้นั้นเป็นพุทธิจริต <c oughs> อาศัยทําความชั่วด้วยอาศัยความรู้นั้น เอาให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้อะไรมาแล้วเราต้องเอามากันมากรองมาพิจารณาให้มันละเอียดถีถ่ทุ่นให้ตรงตามความหมายแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะขอ้อนี้มีความหมายในทางปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จึงถูกต้องอย่างนี้นะถ้าเห็น ออกไปจากนี้แล้วก็เป็นอันาไม่ถูกเป็นทางไม่ถูกนี่เราต้องพิจารณาให้ดีแต่เมื่อสรุปใจความลงแล้วก็ว่าวไอเรื่องต่างๆในโลกอันนี้นะจะเป็นดีก็ดีหรือทั่วกว็ดีมันก็ไม่พ้นไปจากลักษณะสามคืออันนี้จังทุกขังอนัตตานี่ เมื่อเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วอย่างนี้ในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก็เอามาวินิจฉัยก่อนเนะี้ยก่อนจะก่อนจะใช้ความรู้นั้นไปนะทําอะไรพูดอะไรลงไปอย่างนี้เนะี่ยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงอะ่ะผิดหรือถูกควรทําควรพูดหรือไม่ควรอย่างนี้เอามาวินิจฉัยดูแลเห็นว่าคิดไม่ถูกนี่ก็ไม่ทําไม่พูดออื ถ้าเห็นว่าถูกต้องมีประโยชน์ถ้าเราทำอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้ไปมันจะมีประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวมอย่างนี้ก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปจึงค่อยใช้ความรู้อันนั้นไปนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักอุบายแก้พุทธิจริตหรือจริตที่เป็นคนรู้มากแล้วก็ พยายามใช้ความรู้นั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นผู้เช่นนี้ถ้าแก้นิสัยอันนี้ได้แล้วดีมากทีเดียวจะเป็นคนฉลาดทำฉลาดพูดพูดอะไรให้คนฟังคนก็ชอบเข้าใจได้นี่นะเชื่อตามปฏิบัติตามได้เพราะว่า เป็นคนฉลาดเนี่ยมีความรู้อ่ะแล้วก็ใช้ความรู้อันนั้นให้มันถูกต้องไปอย่างนี้นะถ้าเรื่องใดเนี่ยไม่สามารถจะแก้ได้แล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นก็ธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรก็วางอุเบกขาลงสิ่งใดเหลือวิสัยที่เราแก้ไม่ได้นะ ไม่ต้องไปโกรธใครไม่ต้องไปเกลียดใครไม่ต้องไปวิตกเวียนจนเศร้าโศกเสียใจอะไรต่ออะไรหมดนี่นะอือย่างนี้เนะี่วิธีรังงับจริตนิสัยใจคออันไม่ดีไม่งามนะรพระพุทธเจ้าทรงแนะแนวทางไป ห, หมดแล้วอเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงอย่าไปลืมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้มันดูตำหรับตำลา อ, อันใดพอท่องพอจำเอาก็จำเอาให้ได้ถ้าผู้ใด ไ, ดไปทิ้งตำลานี้แล้วไปไม่รอดนะไปไม่รอดอยิ่งสมัยทุกวันนี้เนะี่ยคนยิ่งมีบุญน้อยต้องให้เข้าใจนี่นี่ที่พระอรหันต์ ตั้งแต่ครั้งสังขายนายครั้งที่ห้าหนั้นท่านพิจารณาเห็นว่าต่อไปนี้คนจะมีปัจฉนาบารมีน้อยความจำเสื่อมจำเป็นต้องได้จารึกคำสอนของอุติเจ้าน้ไว้เพื่อให้คุณระบุ ท, ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ได้ดูได้อ่านเรียนท่องจำเอา เมื่อจำไปแล้วมันลืมมันก็จะได้เปิดตำลาดูบ่อยๆเ น, น่นท่านท่านพิจารณารู้ไม่มีผิดเลยอันนี้แหละเราต้องรู้ความหมายของ อ, อัจฉริยาจารย์เจ้าทั้งหลายแต่ก่อนนั้นท่านจารึกเป็นตัวอักษรไว้เพราะอะไรหนอนี่มันก็รู้ได้สิแบบนี้นะ อ๋อ oh, เราก็เกิดมาในสมัยนี้นะ้ความจําของเราก็ไม่มากเลยอย่างนี้เราก็ต้องมันดูตํารามันทบทวนนะความรู้ความจําที่ได้จํามาหมดนั้นถ้ามันทําท่าจะลืมเลือนเอาเปิดตาราดูท่องเข้าไว้ให้มันชํานี้ชํานาคล่องแคล่วขึ้นไว้อ uh huh. เมื่อเราทําอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าไปความจํามันก็ไม่ลบเลือนท่านี่ ความจำคำสอนของพระพุทธเจ้านะ น, นั้นนะมันก็เอาไปใช้ได้แับนี้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ประโยชน์ตนเราก็มาสอนใจให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไปอบำบงลงใจรักตนยานนี้ให้แก่กล้าขึ้นในใจนบ่อยๆเข้าไว้อันนี้แหละเป็นทางดับทุกในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ในพึงพากันตั้งอยู่ในอัปมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทดำเนิน ป, ปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของตนของตนก็จะได้รับความสุขความเจริญดังแสดงมาวันนี้จะอธิบายเรื่องจริตต่อจากเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ได้อธิบายมาถึงโมหะจริตวันนี้ก็อธิบายเรื่องศรัทธาจริตต่อบางคนก็เชื่อง่ายง ม, มงายเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเชื่อโดยเคยได้ถือตามๆกันมาก็มี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 บางทีคนผู้ที่พูดนั้นอาจจะมีความเห็นผิดอยู่ก็ได้แต่ตัวเองไม่รู้ก็เลยเชื่อเขาไป <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราสวยประชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีชื่อว่า ในชาตัานนะชอว่านารัตได้ออกบวชเป็นลือสีสำเร็จฌานอภิญญาโลกีเหาะเฮินเดินอากาศได้นู่นนะบันนี้ก็อนณาด้วยอนุภาพแห่งฌานของพลุศีนี่ ไปทำให้แท่บนบรรดุกรรมพลศีลาอาดของพยาอินกระเทือนพยาอินพิจารณาดูแลเห็นว่าพระฤษีองค์นี้มีอนุภาพมากถ้าว่าเพื่อนหมดอายุสังขารแล้วก็เห็นจะต้องมาแย่งบัลลังก์ของเรา พระินเลยหาอุบายมาที่จะทำลายฌานสมาบัติของนารทะอสีนั่นนะนนก็เลยมาแสดงตนให้ปรากฏในให้พระเจ้าแผ่นดินเมืองพารณาณสีนั่นได้รู้ว่าพระอินลงมาหาแล้วพระอินก็ ถามพระราชานั้นว่าพระองค์อยากเป็นผู้วิเศษไหมอยากเป็นผู้มีอายุยืนไหมพอ้ก็อยากสิ<ว>ถ้าอยากเป็นผู้วิเศษอยากมีอายุยืนอยากเป็นผู้มีอำนาจอย่างนั้นน ะ, ะให้พระองค์เอาไว ให้คนนำเอาลูกสาวของพระ อ, องคนะ์ไปมอบให้แก่พระฤาษีแล้วให้จัดทำพิธีบวงสวงเทพเจ้าขึ้นโดยฆ่าสัตว์ร้อยชนิดบูชายันแล้วพระ อ, องค์จะได้สมความปรารถนา พระราชาไปเชื่อพญายินนั่นก็เลยแต่งให้ประดับประดาลูกสาวให้เต็มที่เลยประเดียววันนี้ก็ให้ อ, อ, อำมาตคนหนึ่งนำลูกสาวนั่นไปไปแล้วก็ไปสดแสดงตัวให้พระฤาษีได้เห็นแล้วก็กล่าวว่าอันพระราชา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 ถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปฆ่าสัตว์บูชายันถวายพระราชาเบบนันก็เลสีก็เลยตามอำนาจนั้นเข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองบันนี้กอพระราชาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่จับช้างจับมามาจับปัวจับไยมาจับสัต แพะแกะไก่เป็ดอะไรไม่รู้เอามาถึงจำนวนร้อยชนิดเอามาผูกมัดเวยเพื่อให้พฤศีฆ่าบูชายันมาในเริ่มต้นสิจะไปฆ่าช้างก่อนบะนี้พอเงื้อดาบขึ้นจะฟันช้างช้างมันก็ร้องอย่างแรงเลยบะนี้มันกลัวตาย ครูสีก็ตกใจมีสติระลึกได้บัานี้โอ้สัตว์ทั้งหลายนี่มันก็กลัวตายเนะเาะล้วก็กลัวตายเหมือนกันอ้าวทำไมจะมาฆ่าสัตว์อย่างนี้อพอระลึกได้เลยก็เลยวางดาบเลยบันนี้ไม่เอาแล้ววางดาบแล้วบันนี้ก็ไปยืนอยู่ในที่แจ้งกาหนดกรสินชาญ <c oughs> แ่งกสินาชานโยสักครู่หนึ่งก็เลยได้บรรลุชานโลกีตามเดิมพอบรรลุชานโลกีล้วก็เลยเหาะขึ้นบนอากาศให้โอวาทแก่ชาวเมืองและพระราชาว่าเมื่อทักกีนั้นเข้าไปเจ้าหลงไหลด้วยอำนาจของกิเลตันหา เกือบได้ทำบาปกรรมมันชั่วช้าลามกบัด น, นี้ข้าพเจ้ารู้สึกตัวแล้วต่อ น, นี้ไปข้าพเจ้าจกไม่ทำอย่างนั้นอีกขอให้พวกท่านทั้งหลายก็จงละเว้นงดเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันว่าแล้วพระฤาษีก็เลยเหาะไปสู่ป่าหิมพานตเป็นที่พักของตอนต่อไป <c oughs> อันที่ยกเรื่องนี้มาแสดงสู่การฟังนี่แหละเรื่องเรื่องความเชื่อนี่นะเล่นหมายก็ว่าพระราชาไปเชื่อเทวดาที่มากระชิบบอกเรื่องบูชายันเรื่องความยิ่งใหญ่อะไรต่ออะไรนั้นนะพระราชาเนี่ยเชื่อว่าจะได้อย่างนั้นแท้ๆเพราะเทวดามาบอก อย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็นความจริงอย่างนี้แหละขัเชื่อไปเลยโดยไม่ได้พิจารณาเหตุผลโดยปัญญาว่าการไปฆ่าสัตว์นั้นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วมันจะไปเป็นมงคลมาแต่ไหนสัตว์ทั้งหลายเนั้นอยู่ดีๆ้ะจับมันไปฆ่ามันก็กลัวตายอย่างนี้นะ่อไปฆ่าสัตว์มากเพราะนั้นบาปกรรมมันคอบงาเอา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 รักษาศีลห้าบริสุทธิธ์แล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุ ร, ราเมรยัยเครื่องดองของเมาต่างๆนี่เมื่อเว้นจากการทําบาปห้าอย่างนี้แล้วตายแล้วจึงได้ไปเกิดสวรรค์แจะไหนจะมายินดีกับบุคคลที่ฆ่าสัตว์แล้วเอาเผาไฟบูชา เทวดานะั้นเทวดาจะไปยินดีด้วยยังไงฮะตั้งแต่เป็นมนุษย์เพื่อนกละเว้นแล้วนี่นั่นเนี่ยมันไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรเลย <c oughs> แม้เท้ามหาพรหมยิงแล้วใหญ่เลยพรหมนั้นยิงเป็นภูมิมีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจมีความเมตตาเอ็นโดสงสารสัตว์โลกหาประมาณไม่ได้เลยแล้วไหนจะไปยินดีให้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 เชื่อปราศจากเหตุผลปราศจากปัญญาเพราะฉะนั้นท่านผู้ได้สดับตรับฟังเรื่องราวดังกล่าวมานี้แล้วควรจําเอาไว้เป็นคติสอนใจของตนเองอย่าให้เป็นคนเชื่อง่ายงมง่ายเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวใรต่ออะไ ร, ไรมาแล้วเราต้องกําหนดออกไปพิจารณาตรีตองในใจให้รู้เรื่องนั้น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 ท่านผู้รู้ทั้งหลายที่แจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ควรเชื่อไม่เป็นมงคลถ้าผู้ใดเชื่อตามเรื่องอย่างนี้นี่เป็นอัปมงคลขืนทําตามไปนี้ก็จะมีแต่ทางเสื่อมทางเจริญไม่มี mm. ก็ไม่เชื่อ mm. อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ไม่เชื่ออย่างงมงายเชื่ออย่างมีเหตุมีผล อันหนึ่งนั้นท่านเดว่าวิตกจริตอคนบางคนชอบคิดมากพอจับเรื่องราวอะไรได้เท่านั้นแหละเอาไปวิตกวิจารณ์อยู่นั่นแหละเรื่องที่ไม่ควรคิดก่อคิดเรื่องไม่ควรเสียใจก็ไปเสียใจก็คิดมากแล้วมันก็เสียใจมากอเรื่องที่ไม่ควรยินดีก็ไปยินดีพออกพอใจ วิตกวิจารไปอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ยัง้งจิตใจสงบลงไม่ได้เลื่อนลอยไปอยู่นั้นเพราะคิดมากคนวิตกเจริตนี่แหละถ้าแก้ไม่ตกก็เลยกลายเป็นวิวกลเจริตไปหรือว่ากลายเป็นโรคประสาทไปมีอยู่มากมายบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายนี่นะวิตกจริตเนี่ยนว่าสาคัญมาก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 เรื่องของใครก็ของเราใครทำกรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นไม่จาเป็นต้องไปวิจารเรื่องของคนอื่นให้เสียเวลานี่ก็งดเว้นไปเลยอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของตนอ้าวทำอะไรลงไปแล้วมันผิดหวังแบบนี้มันไม่สมหวังอย่างนี้ก็มาสอนใจของตัวเองไม่ควรที่จะไปวิตกรจาร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 เมื่อมันไม่เที่ยงเราจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างมาแต่ไหนอืมมันก็จําเป็นแต่เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นเรื่องนี้จึงไม่ควรที่จะไปวิกว ต, ตกวิจารณ์เฒ้าโศกเสียใจอะไรหนักหนาถึงวิตกวิจารณเสยียใจไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ทุกมีแต่โทษจะให้มันดีคืนอย่าให้มันได้สมหวังเออ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 แล้วจะให้มันได้สมวังทุกอย่างมาแต่ไหนตั้งแต่อัตภาพร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นเวตามใจหวังใครเล่าจะไปอยากแก่ชราอยากให้ร่างกายนี่ทุดโทมลงไปต่างๆนานาอย่างนี้นะไม่มีไม่มีใครต้องการเลยแต่แล้วมันก็ไม่ฟังในบังคับไม่ได้เลยถึงการเวลาที่มันจะร่วงโรยมันจะ แปลผันมันก็แปลไปตามการเวลาอยู่อย่างนั้น